บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องของหลักที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและการเกิดขึ้นซึ่งเป็นไปได้ทั้งในช่วงสั้นๆ และในช่วง ย, วยาวๆตลอดถึงค้าพบค้าชาติจะเรียก ว, ว่าคร่อมพบคร่อมชาติในแง่ของการศึกษาหาความเข้าใจจะแก้ปัญหาในด้านจิตใจของบุคคลในปัจจุบันนั้นเราควรจะมองให้เกิดรู้ถึงเหตุเกิดแต่เหตุดับทั้งคุณโทษ เราต้องหลักการวิธีการที่จะบรรเทาความดับหรือว่าสร้างความเกิดตามสมควรแก่กรณีของธรรมะเ่านั้ น, นเรื่องของตัญหาซึ่งถือว่าเป็นปัจจุบันในเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันก็มีเชือ้อคือมีพื้น ที่ติดจิตมาในอดิตกาศซึ่งคนนี้จะเห็นได้ว่าแม้บางครั้งบางคราวเราจะประสบอารมณ์ภายนอกอันเป็นที่ตั้งแห่งความกาหนัดหรือเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองสมบคนบางกลุ่มบางหมู่แต่เราเองถ้าหากว่าเราไม่มีเชื่อการรับรู้สิ่งเหล่านั้นจบ แต่ตอนแรกก็อาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้แล้วในขณะที่เป็นภาพเหตุการณ์เรื่องราวซึ่งบุคคลอื่นเขาไม่ชอบแต่เราเก็บเชื้อความชอบความพอใจยินดีในเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ความรู้สึกของเราก็ขัดแย้งกับความรู้สึกของบุคคลอื่นในขณะนั้นๆนได้คือในขณะที่คนไม่ชอบเรากลับชอบ แต่ในต้องนองตรงงกันข้ามอารมณ์บางอารมณ์เป็นที่รักใคร่พอใจต้องการของบุคคลทั้งหลายแต่เรามีเชื้อความไม่ชอบในอารมณ์เหล่านั้นอยู่ได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามใดสุดลดมก็ตามเราก็เกิดไม่ชอบก็เป็นการทวนกระแสะความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นในขณะนั้นนัเพราะอาการของตัณหาจึงเป็นอาการที่ต่อเนื่องมาจากอาวิชชา เวลาท่านแสดงครอมพบคร่อบชาติหรือคร่องการทั้งสามเป็นอดีตการปัจจุบันการและอนาคตการนั้นท่านแสดงว่าอาวิชชานั้นเป็นอดีตเหตุคือเป็นอดีตเป็นเหตุที่นานไกลามากและเก็บสะสมไว้ในจิตสันดานของบุคคลจนก่อให้เกิดเป็นสังขารคือบาปบุญและคุณอภิเศษระดับชาน ในพรเชื้อของอวิชชาและสังขารนี่เองก็เกิดเป็นกระบวนการของวิญญาณนามรูปอาญตน า, าถึงผัจาะคือการกระทบแล้วก็เวทนาคือการเสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์นั้นสืบเนื่องมาจากอาวิชชาในอดีตแต่เป็นธาตุคือธาตุอยู่ภายในใจเราดังกล่าวแล้วในตอนตอน้นเมื่อท้าผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแลสังเกต การสปัดอารมณ์ในแต่ละขณะเมื่อจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือจะเก็บไว้ภายในใจก็ตา่างความรู้สึกของบุคคลไม่จำเป็นจะต้องเสมอกันเพราะพื้นฐานถึงเป็นธาตุหรือเชื้อที่มีอยู่ภายในใจนั้นไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่ า, าวิชาถูกทำลายไปแล้วตนหาในอารมณ์เหล่อดนั้นก็ไม่เกิด อย่างพระอริยเจ้าระดับพระละหันทั้งหลายที่จริงท่านก็ประสบอารมณ์ซึ่งมีลักษณะกระตุ้นยั่วยุนให้เกิดความกำหนัดหรือกระแทยกระทันให้เกิดความกัดเครืงตลอดเวลาชีวิตของท่านครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เพราะอวิชชาของท่านได้ถูกทำลายไปแล้วเพราะตัณหาในอารมณ์ปัจจุบันจึงไม่เกิดขึ้น แต่เป็นการเกิดพร้อมของปัญญาที่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะโดยอ น, นี้เองทำให้จิตใจของท่านเป็นผู้คงที่ที่ท่านเรียกว่าตาทีโนคือคงที่อารมณ์ข้างนอกจะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของอารมณ์ข้างนอกแต่จิตใจของท่านจะไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นนั้น ซึ่งผีกระจิตใจของปุถุชนหรือสามัญชนทั่วไปแต่ว่าที่จริงในกลุ่มของสามัญชนเองก็มีพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันดั่างที่กล่าวแล้วอารมณ์อย่างเดียวกันนั่นเองคนหนึ่งอาจจะเกิดความพอใจคนหนึ่งอาจจะเกิดความไม่พอใจคนหนึ่งอาจจะเกิดความเฉยเฉและในความพอใจไม่อบพอใจเฉยเนั่นเองก็จะมีปริมาณแตกต่างกัน ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตของบุคคลและการสภาพจิตที่รับรู้อารมณ์ในขณะนั้นๆข้นกรี้พมสังเกตและลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอีกทีหนึ่งเช่นว่าอารมณ์บางอารมณ์เคยก่เกิดความกับหนักเพลิดเพลิพนยินดีจะแสดงว่าเชื้อภายในใจของเรามีอยู่แต่พอมาในวันหนึ่งจิตใจเราไม่ค่อยสบาย เรวก็เห็นอารมณ์นั้นแหละในขณะนั้นความพอใจยินดีอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเฉยๆถึงแม้จะเกิดขึ้นปริมาณของความพอใจยินดีก็ไม่เท่าเดิมเพราะสภาพจิตในปัจจุบันกิดในขณะที่รับอารมณ์นั้นจิตใจถูกเบี่ยงเบนไปด้วยความไม่สบายบ้างหรือความครับแคด้วยความขัดเคืองอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่บ้าง จนบางครั้งตัวอารมณ์เหล่านั้นเองอาจจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความขัดคืนก็ได้ทัางที่เราเคยมีความพอใจราคาหยินดีอยู่ก่อนไอตัวลึกๆที่เป็นธาตุอยู่ภายในใจของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่เป็นสาบัญชันั้นทั้ง แ, แดงพื้นฐานที่เป็นความเห็นอันที่จริงก็คือตัวอวิชานั่นเอง เป็นความเห็นผิดที่ออกมาสองลักษณะจึงก่อให้เกิดเป็นตัณหาขึ้นมาสามกระแสอย่างที่ทราบกันกระแสหนึ่งก็คือ ส, ะสะตตทิฏฐิความมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนถาวรไม่แปรผันจึงก่อให้เกิดการมาตัณหาและภาวะตัณหาในอารมณ์เหล่านั้นละะนะักษณะความคิดเหล่านี้จะไม่มอง สิ่งต่างๆนอกจากสิ่งนั้นหรือแม้แต่มองก็จะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับตัวเองกรอนนี้เราสังเกตว่าที่พระพุทเจ้าจึงต้องตอกย้ำเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากให้เราพิจารณาหนึ่งเดืองก็เพราะว่าแม้เราจะประสบพบเห็นความแก่ความเจ็ บ, ค ว, จบความตายที่เกิดขึ้นทําให้คนแก่คนเจ็บคนตายและคนพลัดพรากสูญเสียอยู่ในชีวิตประจำวันก็ตาม แต่เราเองก็ยังกำนัดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องพลัดพรากสูญเสียการแสวงหาการไขว่ควาของบุคคลส่วนใหญ่ก็จะหาของในลักษณะนั้นคือหามาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็แก่เจ็บตายไปส่วนใหญ่ก็จะก่อนเราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกับเราเราอาจจะตาจากเขาไปก่อนหรือว่าเขาอาจจะ แต่ทำลาจากเราไปก่อนเราไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปซึ่งจะเห็นได้ว่าอันที่จริงลักษณะอารมณ์เหล่านี้มันก็มีให้ระสุพพบเห็นแต่เนื่องจากคนคิดแยกก่อเก็บตัวเองเห็นคนตายก็ไม่นึ ก, กว่าตัวเองจะตายเห็นคนพลาดพรากก็ไม่นึ ก, กว่าตัวเองจะพลาดพลาดเห็นคนเจ็บไายได้ป่วยก็ไม่นึ ก, กว่าตัวเองจะเจ็บไขยได้ป่วยจึงทาให้มัวหมองประมาณ พระพุทเจ้าจึงส่งสั่งสอนให้น้อมนึกเข้ามาหาเพื่ออะไรเพื่อจะถ่ายถอนตันหาในวัตถุกรรมทั้งหลายและเพราวะตันหาคือความต้องการเป็นทั้งหลายและเพื่อนําไปสลายความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันเพราะนั้นเพื่อจะให้เกิดปัญญารอบรู้ตามความเป็นจริงจึงต้องคิดบ่อย ที่ทงใช้คำว่าปัจจเวคขณะคือพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องนั้นดูบ่อยๆคิดบ่อยๆเพ่งพินิษบ่อยๆจนน้อมนึกสภาวะเหล่านั้นเข้ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหาสภาวะเหล่านั้นแล้วมองเห็นสภาวะเหล่านั้นมีอยู่ในตนตนเป็นตัวสภาวะนั้นคือตัวเป็นที่ตั้งของความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากการสูญเสีย จนสามารถปรับจิตได้เวลาประสบกับการพลาดพราดสูญเสียอะไรของใครที่ไหนอย่างไรก็ตามก็น้อมนึกเข้ามาอย่างที่ทรงสั่งสอนให้คิดสามคำว่าเอวังธโมเอวังพาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ถึงถ้าหากคนปัญญาเห็นชอบเกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้มันก็มองกลับไปใน พวกกระแสของตันหาก็ถูกลดลงไปพราะสแสวงหาไปมันก็เท่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องการต้องต้องพลาดพรากสูญเสียถ้าแสวงหามากความทุกข์ก็มากถ้ารู้จักปล่อยรู้จักสละรู้จักละรู้จักวางความปรุงเบาสบายก็บังเกิดขึ้นมันจะกระเทือนกันไปเป็นแถวแม้แต่การถ่ายถอนความยึดมั่นหรือมั่นในขันทั้งหาง ว่าลักษณะความเห็นที่เป็น ส, ะสะตะัตตติจิิคือความเห็นว่าเป็นของเองแท้นแน่นอนจึงถือว่าเป็นรากเง้าวที่มีความสําคัญก็เกิดการไขว้ควาาปรารถนากันด้วยประการต่างๆจนบางครั้งปัญญาที่จะเกิดมาแยกแยะเทียบเคียงคุณค่าของสิ่งหลดนั้นกับสิ่งอย่างหนึ่งที่ตนจะต้องสแสวงหา มันก็เกิดขึ้นไม่มีมากพอเพราะเวลาในชีวิตของบุคคลเป็นจำนวนมากจึงถูกใช้ไปในเรื่องที่ไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะได้หรือบางทีไม่ได้ประโยชน์ เ, นเลยตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะใจมันถูกกระแสของตันหาพัดผ่านไปแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานความคิดเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองจะอยู่คาฟ้าตัวเองจะอยู่ตลอดไป ถึงลักษณะความคิดเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาขึ้นมาในระดับต่างๆวสังเกตว่าที่จริงแล้วกระแสของตัณหานั้นได้ลดลงไปในบรรเทาลงไปความเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้ ย, ย่งยืนไม่แปรผันก็ถูกบรรขทาลงไปท่านจึงรีบเร่งกระทาทานรีบเร่งในการรักษาศีลรีบเร่งในการบาเพ็ญภาวนา เป็นการมองคล้ายๆกับเห็นความแตกตับเกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะต้องรีบเร่งใช้ความเพียรพยายามด้วยก่อนกว่าความแตกตับจะเกิดขึ้นแก่ตน้นซึ่งตัวอย่างเหล่านี้บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องราวของบุคคลที่จะนํานมาเล่านํามาแสดงเอาไว้ซึ่งหมายความว่าปัญญาที่เห็นประจักษ์ว่าตัวเองจะต้องตายแน่ตายแน่ตายแ น, ยแน่มันเกิดขึ้นภายในใจของท่าน ว่าในสิ่งไ ร, ร้สาระทั้งหลายซึ่งท่านมองเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานั้นท่านจะไม่ค่อยความไม่ ย, ยึดติดแต่จะใช้ช่วงของชีวิตซึ่งกำลังจะแตกตักทำไมาได้สาระประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะหนึ่งเราจึงจะพบว่าพระเถระบางรูปท่านทําันยังไม่น่าเชื่อว่าคนจะกล้ากระทําต่อตัวเองได้เป็นพระเถระรูปหนึ่งถูกโจรจับไป ต้องการจะฆ่าบูชายันบูชาเทพเจ้าของเขาท่านก็ขอร้องขอปัดไว้เป็นเวลาเจ็ดวันจนไม่เชื่อก็คิดว่าท่านจะหนีท่านก็หยิบก้อนหินมาปุ๊บที่หน้าแข้งของท่านแตกหมดทั้งสองข้างเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านหนีไปไม่ได้แล้วก็ยังคงขอเวลาอีกเจ็วันเดี๋ยวท่านเอง ไม่ได้สนใจเรื่องข้าวน้าอาหารแต่สนใจที่จะทําจิตให้หลุดพ้นจากตนาอุปาทานให้ได้เร็วที่สุดคือก่อนที่จะตายขอให้ได้บรรลุมรผลตามคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งวันนี้เราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่ากระบวนการของกิเลสมันลดไปเป็นแถวความเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยังยืดไม่แปรผันก็ลดลงไปตนาในอารมณ์ทั้งหลายแทนที่จะสายอย่างค น, คนทั่วไปมันก็ไม่สาย แต่ ว, ว่ามองไปถึงสิ่งที่ตัวจะหยิบจะช่วยเอาได้ในขณะนั้นนั้นในที่สุดท่านก็จเจเลินวิปัสสนาบรรลุมรรคผลไปหรืออย่างที่เคยยกตัวอย่างลูกศิษย์ของพระมหากระสปะที่เป็นโจรเมื่อก่อนก็เป็นพระแล้วต่อมาก็ไปชอบพ่อผู้หญิงแล้วก็สืกออกไปแล้วก็กลายเป็นขี้ขโมยไปร่วมปล้นกับบุคคลอื่นจนถูกจับแล้วก็มาถูกเสียบหลาเอาไว้แต่ยังไม่ตาย การมองเห็นว่าชีวิตใกล้ความตายจึงเกิดขึ้นภายในใจท่านท่านก็ไม่ได้ข่อยคว้าเรื่องอื่นแล้วแต่ว่าทำยังไงจึงจะดึงเอาคุณธรรมความดีที่ท่านเคยสัมผัสได้ในขณะที่เป็นพระให้กลับมาได้ท่านก็จะเินกรรมาฐานภัยบนหลาวที่กำเสียบตัวท่านอย่างนั้นเองทุกเวทนามันเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเพราะยังไงไงมันก็ต้องเกิดอยู่แล้ว แต่ก็ปล่อยวางทุกเวทนาเหล่านั้นในมันเกิดที่กายแล้วไม่เกิดที่จิตก็แยกกิจไปเจริญธรรมถากธรรมจนในที่สุดสามารถบรรลุฌานและอภิญญาในพระพุทธศาสนาได้เป็นต้นลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวในธรรมปฏิบัติซึ่งเป็นรูปธรรมแต่ถ้าเรามองไปที่สภาพจิตโดยจะเห็นการลดการจางไปการคลายไปการบรรเทาไปของสัพพกิเลสทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพวกอวิชชาพวกสัสตตติฐิซึ่งก็เป็นกลุ่มของอวิชชาเป็นพวกโมหะเหมือนกันแล้วพวกตัณหาคือการมาตัณหาภาวะตัณหาซึ่งเป็นอาการของกิเลส ป, ประเภทโลภะแต่เราเห็น ว, ว่ากิเลส ป, ประเภทโลภะนั้นมันมีลักษณะพร้อมที่จะเพิ่มโลภะและพร้อมที่จะเพิ่มความทุกข์ความโทมนัตหรือความขับแค้นใจ ในกรณีที่ได้ตามที่เราต้องการเราเกิดตัณหาแล่นไปสายไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้ตามที่เราต้องการความโลภมันก็เกิดขึ้นไเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็ปิดบางเหตุผลปิดบางสติปัญญาของบุคคลเรานั้นเอาไว้ตำนองที่เราเห็นได้อย่างชัดๆพระพุทธเจ้ามักยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอินได้ง่ายๆ ก็พอมีตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภแล้วเหตุผลสติปัญญามันจะหายไปตำนองกับปลาที่ติดโพงพางติดวนติดแอ่แหหรือว่าตำนองสัตว์ที่ติดบ่วงติดแล้วติดลอบเพราะแกไปมองที่อาหารอย่างเดียวก็มุ่งไปสู่อาหารต้องการจะกินอาหารบางทีก็แย่งอาหารกันเพราะอันตรายข้างๆจึงไม่ได้ระมัดระวงัง นั่นก็คือเป็นอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตแล้วผลักดันออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมต่างๆหรือบางครั้งบางคราวเราก็ทราบเหตุการณ์ของบุคคลไปอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มุ่งไปสู่สิ่งที่ตัวเองอยากได้โดยพื้นฐานความคิดเราก็กลับมาคิดว่าทําไมจึงวิ่งกันขนาดนั้นขวอยขวากันขนาดนั้นเพราะตัณหามันเกิดแก่กล้าในอารมณ์ทา้ง นอกการ น, นอกจากตัวเองต้องการจะได้แล้วต้องการจะได้ก่อนคนอื่นแล้วก็มากกว่าคนอื่นด้วยเพราะความอยากบังเกิดทยอยเป็นคลื่นเป็นกระแสภายในจิตแล้วก็เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นแต่มองกลับไปที่สภาพจิตก็แสดงเห็นว่าเขาก็มองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของที่แท้ยั่งยืนไม่แปรผั น, นคล้ายๆกับเขาไม่สามารถจะแยกแยะสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งๆในชีวิตก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นเขาก็อยู่เข้ามาได้ ความเหตุผลสติปัญญานั้นได้หายไปจา ก, กจิตใจเราจึงพบข่าวคราวการเหยียบกันตายในกรณีของการแจกทานด้วยการแจกข้าวของหรือการข้าไปเหยียบไปรับของแจกต่างๆเป็นต้นลักษณะเหล่านี้ก็คืออาการของกิตที่มันแปรผานไว้ด้วยแรงผลักดันของกิเลสซึ่งสืบเนื่องมาจากสติตะทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงแท้นแน่นอนออกมาเป็นรูปของตาหาเป็นรูปของ เพราวะวตัณหาแล้วก็การปฏิทถามหรือบางครั้งบางคราวคนแย่งเพื่อได้เพื่อเป็นกันไอ้สิ่งที่เราอยากได้ก็อยากเป็นนั้นไม่มีจำนวนจำกัดแต่ความอยากได้อยากเป็นภายในใจของบุคคลนั้นไม่จำกัดก็หลังไหลไปสู่กระแสของตัณหาตอนนั้นที่สุดไม่ส า, สามารถจะประนีประนอมกันได้ไม่สามารถที่จะจัดสรรแบ่งปันกันได้คนก็ยื้อแย่ง เอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงบางทีก็ยกพวกเข้าตะลุมบอลเขียนฆ่ากันก็กลายเป็นพวกสงครามซึ่งล้างพลานกันและในที่สุดก็ไม่มีใครได้อะไรต่างคนต่างก็ต้องตายตายแล้วก็ทอดทิ้งสิ่งด่นนั้นเอาไว้ในตดวถ้าปัญญามันเกิดขึ้นได้ในแต่ละจุดที่ตันหามันเกิดขึ้นติหรือสัมปัญญนีจะเกิดขึ้นตัดกระแสของตัหา สามารถที่จะถอยตัวเองออกมาจากกลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้นก็ปล่อยคนอื่นเ็ายื้อแย่งกันไปแล้วก็มองคนที่ยื้อแย่งด้วยความเมตตาสงสารที่จิตใจเขาถูกผลักไสเข้าสู่วังวนของตัณหาอีกต่อไปเพราะลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วก็เกิดขึ้นแม้แต่ภายในจิตใจของเราในบางขณะในบางอารมณ์ คุณสังเกตว่าพอความเข้าใจประจักษ์ชัดบังเกิดขึ้นภายในใจเราเห็นของนั้นไม่ได้เที่ยงแท้ยั่งยืนอะไรเป็นเรื่องความสนุกประเดี๋ยวประดาตานั้นเองแล้วตันหามันจะจางไปจะคลายไปจากใจโดยความอยากได้อยากเป็นเกียรติถูกบรนทาเอาไว้หรือว่าไม่มีอะไรก็ใช้สถานะที่ตนได้อยู่มีอยู่นั่นเอง การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยไมย่ดิ้นรนขวายคว้ามากเกินไปก็สามารถใช้ช่วงเวลาที่ตนเป็นตนได้อยู่ให้เกิดสาระประโยชน์เมื่อมีการมอบหมายมีการแต่งตั้งให้ได้ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ความได้ความเป็นเหล่านั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ก็กลายเป็นการ พัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของบุคคลเหล่านั้นให้กิเลสบรรเทาบางลงไปจากใจถึงแม้จะอยู่ในกระแสของตัณหาแต่ว่าควบคุมการไหลของใจไปตามอำนาจของตัณหาคือแทนที่จะให้ตัณหาพัดผันเราก็คุมทิศทางการพัดผันของตัณหาเอาไว้เพราะจริงลักษณะของกิเลสประเภทตัณหานั้น เป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าเราต้องอาศัยเพราะเป็นกิเลสประเภทสร้างแม้แต่การอยากได้มักผลนิพพานในช่วงของความอยากได้มันก็คงเป็นตันหาอยู่แต่ก็เป็นการอาศัยอยากเพื่ออาศัยที่ท่านใช้คาว่าตัณหางนิตสายะปัตหาปหาตปาคืออาศัยตัณหาเพื่อจะละตัณหา ตนาในกรณีนี้จึงกลายเหมือนกัยานพาหนะที่จะนําพาคนไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งตัวต้องการจะไปบนเส้นทางที่จะไปนั้นจะต้องเปลี่ยนยานพาหนะไปแต่ละครั้งแต่ละคราวถึงคราวจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนถึงคราวจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนถึงคราวจะอาศัยก็มีความพอใจยินดีที่จะอาศัยยานพาหนะ่อกนั้นไปถึงคราวจะเปลี่ยนก็ไม่อะไรโขลยขาทั้งยานพาหนะที่ตนจะต้องเปลี่ยน แลในที่สุดก็จะเดินใกล้จุดหมายปลายทางและถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุดสูวลักษณะของวิภาวะทันหาที่ก่อให้เกิดความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั้นต้งสังเกตว่าบางครั้งบางคราวนี่พวกก็อาศัยการตัดสินอะไรในช่องแคบแคบคือไม่ได้มองมองให้ตลอดสายของสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นการตัดสินออเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง แล้วเขาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นกร น, นีเพิ่งสังเกตว่าอย่างความคิดที่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าปาญาสิในปาราสิราชัญยสูตรซึ่งได้ได้เคยบรรยายมาแล้วคือเป็นการมองในช่วงสั้นๆที่ท่านตัดสินว่าชีวิตเรานั้นก็จบลงที่ตายโดยท่านไปตัดสินจากความเข้าใจของท่าน หรือว่าคนที่ท่านสั่งไปว่าเมื่อตายไปแล้วถ้ามีนรกสวรรค์ให้กลับมาบอกด้วยเมื่อคนเหล่านั้นไม่กลับมาบอกตามที่ท่านคิดว่าคุณจะมาบอกได้ท่านก็จะว่าชีวิตนั้นก็จบลงที่ตายคนเราก็เกิดมาวันเดียวตายวันเดียวย่างที่ความเชื่อของคนทั้งหลายที่มีอยู่แพร่หลายในโลกปัจจุบันนี้สแสดงเห็นตังการมองอะไรในช่วงสั้นๆไม่ได้มองให้เห็นเป็นกระบวนการเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไรกัน แแนวปัจญาการนั้นเป็นการมองในรูปเป็นกระบวนการที่อิงอาศัยกันแล้วก็ทยอยกันไปเป็นลูกคลื่นแต่ถ้าถี่ยังมีเหตุปัจจัยอยู่อาการของปัจยายการก็ยังมีอยู่พอมามองในแนวของสิ่งทั้งหลายที่ท่านคิดว่าสามารถใย้ขาดสูญได้โดยการตัดสินจากเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่ออะไรที่ท่านไม่ต้องการท่านก็ไปคิดว่าสามารถที่จะปฏิเสธได้หรือสามารถไม่บังเกิดขึ้นมาได้แต่อาการเหล่านี้ถ้าเราลองดูจิตของเราเราจะสังเกตว่ากิเลสมันซ้อนกันอยู่สองตัวแนนอนตัวอยู่เบื้องหลังจริงๆนั้นก็คืออุเฉติทิฏิคือมองเห็นว่าสิ่งทังางยนั้นสามารถขาดศูนย์หรือขาดศูนย์ไปได้ เพราะท่านไม่มองในแง่ของเหตุปัจจัยแต่ว่ามองเฉพาะตัวสิ่งนั้นเช่นคนตายไปแล้วก็ถือว่าตายไปแล้วก็เห็นทําอะไรก็พูดไปรู้สึกก็นึกว่าตายไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปบังเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปแต่ถ้าเรามองให้ละเอียดแล้วเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่จริงมันมีความรู้สึกซ้อนๆกันอยู่ในความเป็นวิภวะตันหาคือความไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็น เป็นลักษณะของอารติคือความไม่พอใจปฏิกะคือการกระทบกระทั่งทางใจหรือความไม่ยินดีไม่ปรารถนาความเหนื่อยดายความเซิงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไปในจิตใจก็ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นพินาศไปทำลายล้างไปเป็นลักษณะของโมหะที่เจออด้วยโทสะ แต่ที่จริงแล้วถ้ามองให้ซึ้งอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าใจมันกวยคว้าอีกอย่างหนึ่งรู้ง่ายๆเช่นเร น, นั่งรับประทานอาหารบนโต๊ะมันจะเกิดทั้งการมัต น, นาเกิดทั้งวิภวตัณหาหรือบางทีก็เกิดภวะตัณหาด้วยเช่นต้องการจะเป็นผู้นั่งโต๊ะตัว น, นั้นแสดงว่าเป็นอาการของภวะตัณหา เพื่อจะได้อยู่ใกล้อาหารชิ้นนั้นก็แสดงว่าเป็นอาการของตัณหาไม่ต้องการไปผู้นั่งตรงนี้เพราะไม่ชอบอาหารตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นอาการของปวัตนาแล้วก็วิพวัตนาทีนี้ในขณะที่เรากำลังรับประทานอยู่นั่นเองเราไม่ต้องการอาหารชนิดหนึง่งเราถามใจลึลกๆลงไปดูว่าถ้าอย่างนั้นต้องการอะไรก็แสดงว่าต้องการอีกอย่างหนี้ อาการของตันหาจึงซ้อนกันอยู่หมายความว่าเมื่อภาวะตันหาเกิดใจมันก็คว้าไปอีกตัวหนึ่งเพราะลักษณะของวิภาวะตันหานั้นเป็นอาการปฏิเสธคือไม่ต้องการสิ่งนี้แสดงว่าต้องการอีกสิ่งหนึ่งและในที่สุดมันก็กลายเป็นการเปลี่ยนตันหาคือเปลี่ยนจากตันหาหนึ่งเป็นตัหาหนึ่ง ซึงลักษณะเหล่านี้เองบางครั้งบางคราวเราเข้าใจชื่นชมยกย่องสรรเสริญกันว่าเป็นอาการของธรรมะล้วก็นํามาพูดมาอวดมาชื่นชมการหลวงพ่อองค์นั้นท่านเกง่งอย่างนั้นท่านเกง่งอย่างนี้ท่านเก่งอย่างนูเห็นว่าไม่ต้องการได้ยศได้ตําแหน่งไม่ต้องการเป็นเจ้าอาวาสไม่ต้องการเป็นเจ้าคณะประสังคาธิการเป็นต้นไม่ต้องการยศศักดิ์ที่มีการราชทานให้เป็นที เราก็แสดงความชื่นชมต่อการแสดงออกในลักษณะนั้นแต่แท้จริงแล้วเราจะเห็นว่าอาการเหล่านั้นมันอาจจะเป็นความสงบเรียบร้อยจริงๆในส่วนลึกๆแล้วก็คือการปฏิเสธเป็นการต้องการหรืออาจจะเป็นการหินแก่ตัวการไม่ต้องการจะรับใช้พระศานสนาการไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เพราะถ้าเรามองดูลักษณะของคนที่เป็นระดับพระอรหันต์จริงๆท่านไม่มีกิเลสเลยแต่ท่านเอาพาระธุราพระพุทธศาสนาเจ็ดภาษารีบุตรก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดีพระอนุก็ดีหรือแม้แต่พระมหากัตปะเทระซึ่งเป็นพระอยู่ในป่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นแก่พระศาสนาในท่านฉับไวมากนเรียกนำเรื่องนั้นเข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์จัดการประชุมพิจารณาการแล้วก็กลา จะได้มีการสังกัจจนาร้อยกรองพระธรรมวินัยขึ้นเพราะลักษณะที่แสดงออกนั้นที่จริงไม่ใช่ลักษณะของธรรมะแต่เป็นลักษณะของกิเลสประลอยเพราะขัดแย้งกับสภาวะของพระอระหรันต์โดยการดํารงชีวิตแบบพระอระหันต์ทั้งหลายพระอนั์ทั้งหลายนั้นไม่ได้จะตัดตนออกไปจากโลกไม่ได้จะตัดตนออกไปจากภารกิจการงานที่รับผิดชอบพระพุทธศาสนา ผลปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นธรรมนั้นต้องสอดคล้องกับปฏิปทาของพระเรเจ้าทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมให้ได้เรียนรู้ให้ได้ศึกษากันอยู่แล้วด้วยและที่สําคัญอย่างยิ่งคือบุคคลเหล่านั้นจะต้องดูจิตของตัวเองว่ามีความเร่าร้อนหรือมีความสงบเย็นถ้าก็เห็นเป็นความาร่าเริงเพื่อดิ้นไปสู่อีกสถานะหนึ่งนั้นก็แสดงว่ายังคงมีตัณหานั่นเอง การศึกษาการปฏิบัติธรรมะจึงต้องเขียนผลธรรมะเป็นความสงบใจส ง, สงบเย็นภายในใจของตนแล้วจะต้องเป็นความสงบเย็นจริงๆด้วยจึงจะชื่อว่าได้รับผลของจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างแท้จริงแต่ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป